พระไตรปิฎกที่มีการห้องจํามีความแม่นยําเพียงไรหลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อรักษาพระไตรปิฎกด้วยการทรงจําในตอนเริ่มแรกก็น่ากลัวว่าจะมีการคลาดเคลื่อนเลอะเลือนหลงลืมไปแต่เมื่อได้พิจารณาไตรตรองก็กลับเห็นได้ชัดว่าการรักษาด้วยการท่องโดยสวดเป็นหมูคนะ่คณะและว่รงจําไว้นั่นแหละ เป็นวิธีที่แม่นยำยิ่งกว่ายุคที่จะรึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสียอีกที่ว่าอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าการท่องที่จะทรงจำพระไตรปิฎกหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมวินัยนั้นท่านทาด้วยวิธีสวดพร้อมกันคือคล้ายกับที่เราสวดมนต์กันทุกวันนี้แหละเวลาสวดมนต์พร้อมกันเช่นสวดกันสิบคนยี่สิบคนห้าสิบคน ร้อยคนนั้นจะต้องสวดตรงกันหมดทุกถ้อยคำจะตกหล่นตัดขาดหายไปก็ไม่ได้จะเพิ่มแม้คำเดียวก็ไม่ได้เพราะจะขัดกันดีไม่ดีก็สวดล้มไปเลยเพราะฉะนั้นการที่จะสวดโดยคนจำนวนมากๆให้เป็นไปด้วยดีให้สอดคล้องกลมกลืนกันก็จะต้องสวดเหมือนกันหมด ท่านจึงรักษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยวิธีนี้คือทรงจำพระไตรปิฎกโดยวิธีสวดพร้อมกันจำนวนมากๆโดยพระสงฆ์ซึ่งเห็นความสำคัญของพระไตรปิฎกเพราะรู้อยู่ว่านี่แหละคือพระพุทธศาสนาถ้าหมดพระไตรปิฎกเมื่อไรพระพุทธศาสนาก็หมดไปเมื่อนั้นถ้าพระไตรปิฎกเคลื่อนคลาดไป พระพุทธศาสนาก็เคลื่อนคลาดไปด้วยพระเถระรุ่นก่อนนั้นถือความสําคัญของพระไตรปิฎกเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ในยุคที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ต้องถึงกับพูดกันว่าอักษรตัวหนึ่งตัวหนึ่งอันเป็นพระปริยติศาสตร์ของพระศาสดามีค่าเท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มา ยาโนทยะปะกรเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่บวกก็คือจะต้องช่วยกันรักษาไว้ให้ดีแม้แต่จารึกหรือสนับสนุนการจารึกเพียงนิดหน่อยก็เป็นบุญเป็นกุศลมากแต่มองในแง่ลบก็คือถ้าใครไปทําให้ผิดพลาดแม้แต่อักษรเดียวก็เหมือนทําลายพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นบาปมากเพราะฉะนั้น พระเทระรุ่นก่อนท่านจึงระวังมากในการรักษาทรงจำพระไตรปิฎกไม่ให้ผิดเพี้ยนความมั่นใจในความบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ได้รับการย้ำสำทับเมื่อปรากฏว่าพุทธพจน์เรื่องเดียวกันที่อยู่ในที่ต่างหมวดต่างตอนซ้ำกัน4ถึงหแห่งในความรับผิดชอบของคณะผู้ชำนาญต่างกลุ่ม โดยทั่วไปยังคงมีถ้อยคำข้อความเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันยืนยันกันเองแสดงถึงความแม่นยำในการทรงจำและทวนทานอีกครั้งพระภิกษุแม้เพียงแต่ละรูปก็สามารถทรงจำพุทธพจน์ไว้ได้มากมายดังมีตัวอย่างชัดเจนในปัจจุบันที่ประเทศพมา่ามีพระภิกษุหลายรูปที่ได้รับสถาปนาเป็นติปิตกะทอนซึ่งแต่ละรูป สามารถทรงจำสาธยายพระไตรปิฎกบาลีได้ครบถ้วนบริบูรณ์นับตามจำนวนหน้าพิมพ์แบบปัจจุบันฉบับของไทยกว่าสองหมื่นสองพันหน้า